Okay. ของโยมติดขัดตรงไหนไหมอ่ะเดี๋ยวลองพูดดิว่าพี่เข้าใจยังไงมเป็มอตมตามเะตามไม่ทันบอกสิใครเป็นคน รู้ว่าตามไม่ทันรู้เองใช่ไหมว่าตามไม่ทันใครเป็นคนรู้ว่าตามไม่ทันใครเออใครเป็นคนรู้ว่าตามไม่ทันเราใช่ไหมวางตัวเราแต่ทิ้งตัวเราคือตัวเราไม่มีไม่มีผู้ตามไม่ทนันมีแต่ตามไม่ทันซึ่งมีแต่ตามไม่ทันแต่ไม่ใช่เราตามไม่ทันงงเล มีแต่ตามไม่ทันแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้ตามไม่ทันเออเพราะเราไม่มีมีแต่มีแต่ความรู้สึกมีแต่ความรู้สึกว่าตามไม่ทันความรู้สึกนี้ก็คือขันคือสังขารพอพูดสังขารก็งอ ง, ง, องเองเนาะความรู้สึกก็เป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้เราเป็นผู้รู้ใช่ไหมเราเป็นผู้รู้ว่ามันตามไม่ทัน แต่เราบอกแล้วไงว่าอารมณ์ก็ไม่ใช่เราผู้รู้ที่รู้ว่าตามไม่ทันก็ไม่ใช่เราทิ้งหมดพอทิ้งเสร็จแล้วเป็นไงว่างไม่ติดใจไม่ติดใจในสิ่งที่ตามไม่ทันทิ้งหมดแล้วทิ้งหมดแล้วตามไม่ทันในอดีตวางหมดแล้วก็สังข์มองก็จะโล่งใช่ไหมเพราะมันเป็นขนาดจิตนี่เรื่องพวกนี้เป็นขนาดจิตตามไม่ทัน ตามไม่ทันเมื่อชั่วโมงที่แล้วมันมันจบไปตั้งนานแล้วก็ทิ้งหมดแหละก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเสียงได้ยินใช่ไหมเราพูดเนาะเออเนี่ยพยักหน้านรู้ใช่ไมอมตอ <c oughs> นนี้รู้สึกเป็นปัจจุบันเนี่ยเออปัจจุบันนะไอ้ที่ตามไม่ทันที่เราส่วนมากมักส่งอารมณ์ว่าตามไม่ทันตามไม่ทันนี่อดีตทั้งนั้นเลยเอาอะไรไม่ได้หรอกปัจจุบันนี่กําลังขยักหน้ารู้สึกรู้สึกกายก็นหน่อย <c oughs> ธรรมะสั้นๆปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะกำลังพูดกำลังทำกำลังคิดอันไหนรักอันก็ได้ถ้าตามไม่ทันตามไม่ทันจิตแล้วถืว่ามันมั่วไปแล้วก็กายเคลื่อนไหวรู้สึก อ, อยู่กับกายไปก่อนพออยู่กับกายเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วต่อมาเดี๋ยวความคิดก็ผุดขึ้นมาบอกเออมื่อกี้ไม่น่าถามเลยก็เห็นความคิดใช่ไหก็เห็นความคิดพอเห็นความคิดเสร็จก็ยกมือต่อไป พอยกมือต่อไปเสร็จมันบอกเอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เห็นความคิดอีกแล้วเนี่ยมันมีกายกับจิตที่มันเดี๋ยวสลับกันนะเดี๋ยวกายเคลื่อนไหวเดี๋ยวก็เห็นใจนึกคิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เออนี่ยเราพูดเรื่องใจจบเลยยังที่มันไม่มีตัวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อให้มันผ่อนคลายอะไรบางอย่างเนาะบางทีเราฟังต่อเนื่องเนี่ยเบลอเออเร่อเร่อโยงก็นั่งให้สบายจะยังไงก็เอาพักสักแป๊บนึงก่อนเนาะ ใ จ, จ้ฟูฟออจะพอเราเห็นเรแท่เาก็คือแค่นั้น่ะใช่ไใช่ปะใอยากกระชาจเราเลยสุดทางแลใจมันฟูมนจิก็ใจนอันแค่นั้นนียแค่นั้นแค่นั้นจริงๆจริงๆเรื่องนี้มันจะโยงกับ<ช>กับใจได้นะเออไหนไหนก็พูดแล้วก็พูดเลยใจ เป็นความไม่มีนะบางทีเราใช้เป็นภาษาพูดเพื่อให้เข้าใจก็ได้ใจมันคือความว่างเปล่าคือมันไม่มีอะไรนะแต่ความฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจใช่ไหมเกิดขึ้นจากความว่างเพราะเดิมมันไม่มีฟูต่อมามีฟูผุดขึ้นมาก็นะ เ, าเรียกว่ามันเกิดขึ้นในใจแต่ใจจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ฟูด้วยนะแต่ใจมันรู้ว่าฟูคือรู้อาการของใจอ่าเพราะนั้นความฟูเนี่ยเป็นอาการ แต่ใจไปรู้เข้าอารมณ์ก็ได้ฟูพบเป็นสิ่งถูกรู้ถูกไหมรู้ว่าฟูไงเป็นอาการของใจหรือว่าอารมณ์ก็ถูกถามว่าใครรู้่ก็ใจไปรู้แต่ใจจริงๆอ่ะมันมีเขาเรียกว่ามันไม่มีสภาพที่จะฟูได้แต่ฟูเนี่ยเป็นสิ่งที่พุดขึ้นมาเนาะแล้วต่อมาความฟูนี้ก็ดับหายไปแต่ใจเนี่ยมันไม่เคยฟูหรือมันไม่เคยหาย มันไม่เคยเกิดมันไม่เคยหายเออเป็นอาการแต่ใจจริงๆอใจล้วนๆใจแท้ๆเนี่ยไม่มีการเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอมตะอยู่แล้วที่เป็นความไม่มีแต่ความฟูต่างหากที่เพิ่งมีมีแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอใจสัมผัสรู้เรียบร้อยแล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าตัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหม ความฟูก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ก็ดับไปใช่แต่ใจซึ่งเป็นความไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยปรากฏตัวไม่เคยมีอาการมันจึงไม่ฟูไม่แฟกแต่มันได้แต่รู้มันได้แต่รู้เพราะนั้นเวลารู้น่ะมันไม่ใช่เรารู้หรอกแต่เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยส่วนมากเอาเราไปรู้ผิดหมดเลยแต่จริงใจอะ่ะมันรู้ของมันได แต่เวลาปฏิบัติมันไปตันก็เพราะว่าเอาตัวเราไปขวางลำมาไว้ไปปิดกัน้นการรู้แบบธรรมชาติลองไม่ปฏิบัติอะไรดูดิลองก็ได้อา่าลองสุภานาทีเนี่ยบอกไม่ต้องปฏิบัติทําอะไรเนี่ยลองดูที่มันจะเกิดอะไรขึ้นอา่าวนาทีนี้นะไม่ต้องปฏิบัติทําอะไรไม่ต้องดูไม่ต้องทําอะไรทักอย่างหนึอา่าลองดูที่เดี๋ยวความคิดก็พุด่ด นั่นแหลความคิดผุดมาจากไหนก็ผุดมาจากใจอยู่ดีแล้วใจก็ไปรู้เข้าว่ามันคิดอีกแล้วเอายอมไม่ต้องปฏิบัติอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็คิดบอกได้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เหรอนั่นก็นคือความคิดแล้วเดี๋ยวก็เห็นเชื่อเถอะอือใช่ไหมเออไม่ต้องปฏิบัติอะไรนะนะเดี๋ยวเราจะสอนอีกแนวเราจะสอนให้ผิดสอนให้ผิดทางสอนยังไงเดีย เดี๋ยวโยมก็ต้องเถียงใช่ไหมเดีย๋ยวนั่นแหละคือความคิดเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวก็เห็นตู้ป <c oughs> วดร้าดตกใจนี่นะถ้าสมมติเมื่อกี้เราบอกไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมอาตมาจะแกล้งสอนให้ผิดตามหลักพระพุทธเจ้าสอนนะความคิดเนี่ยผุดขึ้นมาแย้งมาสู้กับเราเนี่ยบอกเพี้ยนแล้วเพี้ยนแล้วไปนู่นแล้วมันจะมีความคิดไงเดี๋ยวก็ได้เห็นถ้าเห็นความคิดนั่นแหละคือปฏิบัติแล้วเห็นไหมบอกไม่ต้องปฏิบัติแต่จริงๆอ่ะเอา เห็นความคิดเห็นความคิดก็ปฏิบัติแล้วทางของมันด้วยนะเอาไหมลองจริงๆเลยโยมไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่ต้องดูความคิดไม่ต้องทำะไรทั้งอย่างหนึง่งแล้วโยกก็นั่งท่อมในใจบอกไม่ต้องดูความคิดไม่ต้องดูความคิดนั่นเลยคือความคิดเหมือนกับจะเลย้หมดเลยเออวันนั้นเล่นเกมกันเอาอย่างนหนึง โยมไม่ต้องคิดตามนะที่เราจะพูดต่อจากนี้นะโยสมสนทรงรู้ทันเลยครับคุณครูสมทรรู้ทันแนละ้วเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วนี่ไม่ชียังไม่เคยมาไม่ชีไม่ต้องคิดในสิ่งที่เราพูดนะทําจิตให้แข็งเลยไนมะ่อยากคิดอยากคิดเราจะพูดต่อไปนี้ตอนเนี้ยตอนนี้เริ่มเลยนะแต่ไม่ชียอยากคิดตามนะ ตอนเนี้ยนั่งอยู่ดีก่อน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้ก็นั่งละสิบแต่มีคนบางคนเนี่ยนั่งทับตัวตะขาบอยู่ตัวตะขาบแต่ตัวไม่ใหญ่แล้วอะไรนะนั่งทับอยู่ตัวตะกาบตัวไงไม่สีตะขาบตอบเพราะว่าห้ามแม่สีไม่คิดหรือคิดไปแล้วเห็นไหม <laughs> <laughs> มันถึงอนัตตาไงบังคับไม่ได้ บางทีเราไปบังคับไม่ให้คิดบังคับก็ไม่ได้ปวดหัวเปล่าๆแต่ความคิดมันเป็นธรรมชาติมันต้องคิดแต่สิ่งที่เราปฏิบัติก็คือให้เห็นนะเมื่อมาเห็นมันคิ ด, คดกับเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามันคิดก็แค่นั้นแหละแล้วก็ผ่านไปคิดแล้วก็ผ่านไปนี่นการปฏิบัติที่ถูกคือไม่ได้ห้ามอะไรทักอย่างเว้นแต่แต่ที่พูดทั้งหมดนี้เป็นพูดแนวทางแนวเจริญปัญญานะวิปัสสนาเนาะ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องสมถะสมถะเนี่ยต้องข่มจิตบังคับจิตเพื่อให้จิตสงบไม่ให้มันฟุ้งซ่านแต่อันนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงเลยนะมันจะคิดก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันเฝ้าแฝงฟูฟูอย่างไรก็แค่รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็เห็นมันเกิดดบเกิดดำเกิดดำเกิดดำอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอารมณ์วิปัสสนาเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดแหละแต่เราไม่เข้าใจมันเห็นไหมก็คืออารมณ์นั่นเองอ่ะวิปัสสนาคืออารมณ์อารมณ์มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แล้วก็ถ้าเห็นว่าอารมณ์นั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราเนี่ยตรงนี้เป็นวิปัสสนาเห็นไหมก็เรียกว่าเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลมันก็เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าไปกดไปข่มไว้เงี้ยมันก็เดินวิปัสสนาไม่ได้ดิเพราะว่าหนึ่งเอาตัวเราไปกดเอาตัวเราไปกดเอาไว้แล้วไม่เห็นตัวเราว่าเป็นผู้กดเนี่ยพากฏเสร็จแล้วความโลภความโกรธความอะไรก็ไม่ปรากฏไม่ให้คือมันไม่มีให้เห็น มันก็จะเรือนปัญญาไม่ได้เพราะฉนั้นถ้าจะเรืญปัญญานี่เปิดหูเปิดตาเปิดทวารทั้งหมดหูตาจมูกลิ้นกายใจเปิดให้หมดเลยแล้วมันก็รับรู้ไปนะแต่ถ้าไม่ชนานาญก็รับรู้ที่ใจเปิดประตูใจประตูอื่นนี่อย่าไปสนใจมันสัมรวมมาไว้ตาไม่ถงไปมองหูไม่ค่อยได้ยินอะไรมากก็อยู่ทุบแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างถูกขึ้นมาในใจเช่นความคิด ความวิตกกังวลความโผ่่คามแพ้ความอะไรก็รู้ที่ใจรู้ที่ใจอรู้ที่ใจมันก็ดับที่ใจแต่ใจอะได้แต่รู้แหละตรงเนี้ยใจไม่ได้เป็นอารมณ์ด้วยใจไม่เป็นอะไรสักอย่างตรงเนี้ยว่าเราขางเข้าใจกันถูกต้องเลยเมื่อว่าใจจริงๆอะมันไม่มีนะแต่สิ่งที่มีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งนั้นต้องดับแต่ใจอะไม่เกิดไม่ดับแต่มันรู้อะไรได้ทุกเรื่อง รู้ด้วยใจรู้ด้วยใจนะใจในที่นี้นะเป็นคำสมมุตินะเป็นคำสมมติอาจจะเรียกพุท ธ, ธาก็ได้จิตเดิมแท้ก็ได้จิตดั้งเดิมก็ได้ธรรมธาตุก็ได้แล้วแต่เพราะมันไม่เป็นสิ่งที่มันไม่ยึดไม่ติดอะไรแล้วมันได้แต่รู้มันหลุดพ้นแล้วไงเป็นจิตหลุดพ้นเป็นที่รู้หลุดพ้นรู้พ้นรู้ไม่ติดนะเดี๋ยวให้โยมผู้ชายคุยมั่งเข้าใจไหมพอเข้าใจไหม ถึงวันนี้ไม่เข้าใจก็อย่างน้อยก็เป็นเป็นก้าวแรกที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังใช่ไมเหมือนกับเราก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยวันนี้ไม่รู้ต่อไปเราก็ฟังบ่อยๆพัฒนามันก็แกรู้มากขึ้นบางทีคำพูดอ่ะมันเป็นเรื่องใหม่ฟังครั้งแรกบางคนไม่เข้าใจแต่ต้องฟังซ้ยจะเข้าใจเลยเลยเลยยงี้ยแต่ทีนี้แนวพูดอย่างเงี้ยบอกไม่เห็นฝึกรู้สึกตัวเลยอันเนี้ย มันเป็นปัญญาขั้นไร้รูปแบบนินจาเป็นปัญญาขั้นไร้รูปแบบนะเพราะว่าไม่มีรูปแบบแต่มันรู้ด้วยใจได้เวลาฟูเนี่ยต้องยกมือไม่ละไม่ต้องเวลาฟูเนี่ยจะนั่งจะนอนจะเดินมีเหตุปัจจัยมันก็ฟูใช่ไหมก็รู้ได้ไม่มีรูปแบบอเวลามันแฟบเวลามันโกรธเนี่ยไร้รูปแบบหมดพวกเนี้ยอ่ตึกเห็นไหมเมื่อกี้ตึกตึ ก, ตกรู้ใช่ไหมอ่เนี่ยทั้งหูก็ได้ยินและตัวเองตึกเนี่ยกระดิดเนี่ย รู้ได้เนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไล่รูปแบบรู้เองรู้แบบไม่ตั้งผ่ารู้แบบไม่ตั้งใจเนี่ยนั่งนั่งนีงนจุดประทัดโยนตุ้มเนี่ยโยงกร ะ, กะโดดตึ้งเนี่ยโอยตื่นตัวตจะถามหรือว่ายุ่ไม่เฉย กิดไปแล้วเา็อยากพิจรารณาําอะไรมันเกิดขึ้นเองกราแค่รู้เท่านั้นใช่หคะใช่ไ ม, <c oughs> ไม่ต้องพิจารณาตามพิามจารณาตามที่หลงดีกว่ากันคือถ้าพิจารณาตามด้วยสติปัญญาเนี่ยมันมันไม่หลงนะ <c oughs> แต่ถ้าถ้าเมอเช่นถึงว่าวมันมันเมอเอ้ยมันขาดสติแล้วพิจรารณาแบบแบบไม่มีสติปัญญาเนี่ยพวกนี้หลงได้ขาดแบม มันมาเหมือนไม่ใช่เราเป็นผู้พิจารณาะคะืะแล้วการพิจารณาแต่ละครั้งมันจะเป็นลมใจน่าเฟื่องในทีผมว่าเราต้องคือจริงมันก็ไม่มีเราหรอกนะแต่ถ้าเราปล่อยให้พิจารณามันก็จบนะแต่ในทีเราก็ยังจำข่าวว่าเราทาความผิดตัวต่อทร่ต้องปล่อยให้จิตมันพิจารณาอีกต่างหาอืม พิจรารณาเดี๋ยวนี้เทียบของตัวเองก่อนนะนะเวลาพิจรารณาเนี่ยจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันก็พิจารณาด้วยสติปัญญาแต่มันจะพิจรารณาอย่างไงก็แล้วแต่มันมีสติเห็นความคิดอ่ะเพราะเวลาพิจรารณามันจะเห็นความคิดเพราะในนั้นมันจะมีความคิดเนาะออแล้วก็มันเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิดเนี่ยจุดที่เป็นหัวใจของมันคือเห็นความคิดแต่ไม่ได้เอา เนื้อหาแห่งการพิจารณาว่าเป็นอะไรแค่เห็นว่าเนี่ยสังขารอันนี้นี่เป็นภาษาพูดนะนะแค่เห็นความคิดเนี่ยมันเป็นสังขารมันจะคิดอะไรก็ได้แต่ความคิดนั่นีหะมันเป็นสังขารเช่นมันจะพิจารณาแล้วมันเข้าใจอย่างงุอย่างนี้อย่างงนุนเป๊ะช่างเนอแต่แน่ๆคือเห็นความคิดเน้นแต่ความคิดอย่างเดียวเห็นคิดอว่าเราไปเปียแล้วมรูบอกว่าเมืนแก่นะแก่นั่นแหละค่ะแก่นเ้อเออใช่ สักแต่ว่าสักแต่ตรงนั้นมันจะมีตัวตัวรู้อีกที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นรู้ตรงนั้นที่เราเป็นเป็นใจนะมันจะเห็นอยู่เห็นอะไรก็คือเห็นสังขารนะเห็นตัวเนี้ยเราไใชเป็นตัวเราเราเห็นอยู่วมันไม่ใช่ตัวเราเป็นคนไม่ใช่เออไม่รู้สิรู้สอ่ะ มันปวดนะแล้วก็แล่ายที่ไยก็ืถ้ามันมปวดแล้วเราเหนด้าวดใจเราเข้าใจเราเป็นยังไงเราก็ืะดูจิตญาถูกจิตภาษาสีเราดูกับวิทยาจิตเราจิตเราส่วนไหวล้วก็ดิงกันไปดินไปแล้วก็ถ้าเกิดมันมันไม่ส่วนไหวมัก็ เออมันรู้หมดมันรู้มันรู้เองแล้วไม่ต้องพิจารณาดูเฉยเฉยดูลุ้เฉยเฉยแล้วพอมันหายไปก็มันก็ไม่เที่ยงก็แค่นี้คือไม่ต้องพิจารณาก็ก็มันมีแล้วแต่เอตุปัจจัยนะเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็รู้เฉยเฉยก็มีนะเพราะว่ามันของทุกอย่างไม่เที่ยงหมดอหะบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าก็สักแต่รู้เฉยเฉยมันไม่ได้พิจารณาอะไรแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนกับมันขยันของมันนะ เออมันขยันก็แล้วแต่คือไม่ตายตัวแล้วแต่เหตุการณ์มันมีอยู่ไม่เข้าใจพิจารณา่างอ๋อพิจารณาก็คือโยนิโสมนสิการโดยอาศัยมีความคิดผสมผสานในนั้นน่ะเนีมันจะมีโยโยไม่เข้าใจพอโยโยโยเห็นใจอ่ะโยมันมันปวด่แต่ยังไงก็ตามนะกฎนี้ยังมีอยู่คือมันรู้อะไรแล้วมันต้องพูดต้องคิดในใจนั่นแหละตัวคิดนี่แหละถึงเออ ตัวคิดเพราะฉะนั้นเนี่ย ร, ร, รู้เฉยเฉยเพราะฉะนั้นเวลามันรู้เนี่ยมันรู้ตั้งหลายอย่างเช่นกายเวทนาจิตธรรมรู้หมดใช่ไหมไ อ, อ, อ้ที่ว่ามันคิดอ่ะเวลามันพิจารณ์มันก็มีความคิดนี่เท่ากับว่ารู้คิดแล้วก็พิจารณาแล้วรู้สึกก็เออโล่งปกเบิกบานใจโล่งอะไรเนี่ยมันก็เป็นเวทนาใช่ไหมเออแล้วก็บางทีก็รู้กายบ้างกายเคลื่อนไหวกายนี้ มันสติติบฐานสูตรอะจริงๆมันมันอยู่ในนั้นแหละครบถ้วนเราก็จะจิตในก็จะที่จะน่ก็โยงเรากให้ก็ก็รู้รู้นะไปไปเรื่อยๆจิตมันจะโปวดแค่ไหนก็มันมันใหญ่มันใหญ่มันไม่เป็นทุกครั้งหรอกมันแล้วแต่เหตุการณ์บางทีมันขยันของมันนะโหมันมันเทศนาให้ฟังก็มีมันสาธยายธทำก็มีสารพัด เวลามันขยันนะแต่เวลามันขี้เกียจมันก็ไม่เอาไหนมันก็แบบไม่รู้อะไรแบบบือบ้อๆมันก็มีกันเนื้อกันแล้วแต่ทุกอย่างไม่เที่ยงเลยแหละ ถ, ถ้าเราถ้าเราพูดเราจำเป็นต้องพูดไหมหมายถึงมาพูดให้ออกเสียงใช่ไหมใใโอ้ในใจมันพูดอยู่แล้ว <c oughs> มันพูดอยู่แล้วไม่ไม่ยกยก<ง>ยก<ง>ไม่ใช่ยก ไ, ไม่ได้บนห้าเลย <ง S 2> ยกไม่พูดยกเฉยๆยกเฉยๆคือเฉยๆนะเดี๋ยวก่อ มันคือแบบไหนวะแค่รู้เฉยกเรารู้เฉยคือถ้าถ้าจริงๆนะเอาถ้าพูดถึงใจนะใจเนี่ยมันได้แต่รู้เฉยๆแต่มันสามารถรู้ความคิดได้รู้อ่ารู้สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้น ะ, ะ ค, คือคือมันจะมีอารมณ์ไงที่ใจไปรู้เข้าอ่ะนะ ท, ที่ที่ ท, ที่ที่รู้แล้วก็มีมีามที่สุก็คืเอ <ๆ S 2> เอไม่เราไม่คือเราคิดอะไรว่าว่าเราไม่ได้เออมันไหนวเอาไม่ได้ปวด แต่ว่ากายดตอที่วกิอรไม่จาจิตไนะเรื่อยๆเนะตรงนี้อาจจะสื่อภาษาเราไม่เคยพิจารณาที่เราเราไม่ด้จ้องเขาคือเขาเปิดก็ิดือไม่รู้นะแต่ภาษาธรรมะเนี่ยให้พิจารณาอยู่เป็นประจำเขาว่านะ แต่ทีนี้ถ้ายมไม่พิจารณานี่ไม่รู้นะเออเดี๋ยวรู้เฉยเได้ไหมรู้เฉยเฉยหรือมันมันเป็นไปได้หรือรู้เฉยเฉยมันต้องคิดมันต้องพิจารณานะโดยรู้ว่าเออก็จะว่าเป็นเรื่องพิจารณาเพราะว่าแบบรู้ว่าปวดอแล้วใจมันพูดมันพูดอะไรไหมล่ะมันบอกเออปวดแล้วรู้แล้วอะไรเงี้ยไม่มีนะรู้ว่าปวดอ่ารู้ปวดเอ่อที่มันเหมือนจะเหมือนจะน่าจะคิดก็คือว่าแต่ว่า เออใจไม่ปวดใจเราไม่ปวดเราเรารู้ว่าปวดแล้วถ้าใจไม่ปวดเนี่ยอะไรบอกว่าใจไม่ปวดมีไหมอ่ะใจเราบอกเออนั่นแหะมันพูดแล้วแหละตรงนั้นนหะพูดแล้วถ้าใจบอกอาจะแดงว่ามันพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่รู้นะไอเราก็พิจารณาเนาะคือจิตนะนะจิตมันพิจารณา เออมันจะมันจะมันมีภาษาพูดในใจอ่ะจิตเราเห็นอ่ะจิตเราเห็นทีนี้พอมีภาษาพูดในใจใช่ไหมหมายความว่าไอ้ที่มันพูดมันคิดเนี่ยไอ้นี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ใจอ่ะที่ว่าใจมันไม่ปรุงแต่งมันเห็นอยู่ไอ้ใจนั้นเนี่ยจะเรียกว่ามันเฉยไหมใจเนี่ยมันจะเรียกว่าเฉยก็ไม่ใช่เพราะเฉยเนี่ยเพียงเป็นอารมณ์ความเฉยเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ว่าใจมันเฉยถามว่าใครรู้ใจเฉยก็ ก็ถ้าพูดภาษาสมมุติก็คือเราแต่ถ้าพูดภาษาใจก็คือใจมันเป็นคนรู้ว่ามันมันเฉยๆเพราะนั้นความเฉยๆก็เป็นสิ่งถูกรู้ลองดูดีๆนะความคืออะไรก็ตามนี่นะที่รู้ได้ทั้งหมดอะ่ะมันเป็นอารมณ์หมดเลยความเฉยก็เป็นอารมณ์ความนิ่งอะ่ะที่มันไม่มีความคิดเลยก็เป็นอารมณ์ อะไรที่ไม่เป็นอารมณ์มีใจอย่างเดียวที่ไม่เป็นอารมณ์หมายความว่าไม่มีอะไรไปรู้ใจได้เลยแต่ใจรู้สิ่งอื่นได้ถึงเขาบอกว่าใจเนี่ยไม่เป็นอารมณ์ใจเนี่ยไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่ใจอ่ะไม่เป็นดินไม่เป็นน้ำไม่เป็นไฟไม่เป็นอากาศคือไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยนะใจนะใจที่ที่แท้จริงนะ นอกนั้นเน่ยเป็นสิ่งที่แปรปวนเกิดดับหมดเลยเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องใจจริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าหือใจนี่เป็นความไม่มีไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่อากาศไม่ใช่ตั้งอยู่ไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ใช่ไปไม่ใช่มาไม่ใช่เคลื่อนไม่ใช่ไหวไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่โลกทั้งสองแลยโยมไปหาเจอที่ไหนอ่ะมันหาไม่ได้เพราะนั้นใจจริงๆ่ใจแท้ๆมันได้แต่รู้เออมันได้แต่รู้ ใจเนี่ยพิจารนาก็ไม่เป็นพิจารณาไม่ได้แต่ที่พิจารณาเนี่ยสังขารทั้งหมดคือความคิดบ้างความจำบ้างความวิรุษวิญญาณเนี่ยมันก็ทำงานของมันถ้าแสดงว่าแบบถึงโยมจะรู้เฉยๆโยมพิจะละเออเอาน<ๆ>ี้เอาี้เอาเป็นปัจจุบนันก่อนดีกว่าปัจจุบันเลยนะปัจจุบันตอนเนี้ยแต่เงียบไปละ รู้ได้ใช่ไหมเงียบเออลองตอบรับพยักหน้าตอนนี้เงียบไม่พูดแล้วเงียบอยู่แต่หูได้ยินเสียงอ่านี่นี่ปัจจุบันเลยนะเออปัจจุบันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ขณะปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีความคิดความนึกอยู่มันก็บอกเนี่ยเงียบอยู่เงียบอยู่เงียบอยู่เนี้ยสมมตินนะนี่ก็คือคิดแล้วคิดในใจแต่ใจเป็นคนรู้อยู่ว่ามันคิดยังไงเออนี่ตอนนี้กําลังจะพูดกำลังจะพูด เ, เนี่ยมันรู้ในใจเป็นคนรู้รู้เงียบเออ ไม่คิดนี่พูดอยู่เนี่ยเนี่ยไม่เห็นตัวนี้ไงจริงจริงนีน่นโทษ น, นะตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นกําลังพูดกําลังคิดกําลังทำํำสมมติว่าเราบอกว่าเนี่ยเงียบแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดแสดงว่าเราไม่เห็นไอ้ตัวที่กําลังคิดกําลังพูดอือใช่เห็นเอางี้นะเราเรายกตัวอย่างประกอบเพื่อเป็นธรรมะนะ มีหลายคนที่ไปส่งการบ้านที่เราฟังรู้บาอาจารย์เนี่ยก็บอกอาจารย์ดูทีเนี่ยตอนนี้หนูว่างมากเลยอะหนูว่างว่างว่างว่างมากเลยไม่คิดอะไรเลยอาจารย์ก็ดูว่มันไม่เห็นในขณะมันพูดอยู่ยังไม่รู้เลยอะบอกเดีตยว่างค่ว่ามันมีสัญญาไปจําอยู่เรื่องความว่างแต่ปัจจุบันอารมณ์ที่ปากขยับขยับเนี่ยดันไม่เห็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปเพ่งอยู่กับความว่างเลยก็พูดบอกว่าเนี่ยหนูอยู่กับความว่างหนูไม่คิดอะไรเลย ไม่ินเลไรหรกฟุงซานทั้งวันว่าอาจารย์ว่าเนาะเพราะว่ากำลังพูดกําลังคิดไม่เห็นไงอันตรายนะตรงเนี้ทีนี้เรามาประกอบกันของเราบ้างเช่นสมมติว่าเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่คิดอะไรเลยมันไม่จริงนะที่กาลังพูดเนี่ยพูดมันมาจากไหนมาจากคิดถูกปะมันเคลื่อนไหวแล้วนะั่นอะ่ะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นต้องเห็นปัจจุบันคือกําลังพูดกําลังคิดอะไรก็ได้นีนิดแบบพูดเหมือนกับชี้อยู่ในกรอบเนาะในกรอบที่เป็นปัจจุบันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย มันจะไกลออกไปไกลออกไปแล้วมันไม่เห็นสิ่งที่กําลังพูดกําลังทํากําลังคิดมันก็ไกลออกไปเออแม้กระทั่งคําถามนะสมมติว่าคำถามเนี่ย อ, อทําไมเราต้องถามสมมุตินะทําทไมเราต้องถามถามไม่ใช่เพื่อให้เรารู้ถูกัหมนี่แสดงว่ามันมีตัวเราอยู่ตัวแต่ไม่เห็นถูกปะมันมีตัวเราอยู่ตัวไม่เห็นตัวเราตัวเนี้ย อยากจะรู้บางสิ่งบางอย่างเลยก็ถามแต่ถ้าเห็นตัวเราบ้างเนี่ยมันจะพบก่อนก่อนถามเนาะจะพบโดยว่ามันมันจะถามเพื่อประโยชน์ของตัวเราคือให้ตัวเรารู้บางเรื่องเห็นตัวเราบ้างเห็นแล้วพอเห็นบั้งมัก็ไม่รู้ถามทำไมอันนี้นิชี้นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เปะว่าไม่ใช่ว่าห้ามถามแต่ชี้ให้เห็นว่าทุกครั้งที่ถามเนี่ยมันมีตัวเราอยู่เบื้องหลังใช่ไหม ตัวเราอยู่เบื้องหลังแต่ขณะตรงนั้นเนี่ยมันยังไหวไม่ทันยังรู้ไม่ทันก็เลยถามพอถามปั้งอาจจะนึกออกว่าโอ้ถามแล้วเราก็คิดในใจอีกแล้วตรงนี้เป็นความคิดอีกแล้วใช่ั้มก็เห็นความคิดอีกอย่างเนี้เพราะนั้นเนี่ยธรรมะมันละเอียดมากเลยทุกอย่างเนี่ยมันทําเพื่อตัวเราหมดเลยมันตัวเราอยู่เบื้องหลังเอตัวเราอยากรู้ตัวเราอยากเข้าใจตัวเรามาฟังที่นี่เนี่ยเนี่ยตัวเราใช่ไหมล่ะตัวเราอยากรู้อยากเข้าใจอยากเข้าใจธรรมะ แต่พอเราเข้าใจถูกมันมาก็มาที่ก็คือสังขารใช่ไหม <c oughs> เออเนี่ยตอนนี้สังขารหมดเลยตัวเราที่แท้จริงไม่ได้มีออามาก็เป็นสังขารมาฟังก็เป็นสังขารฟังฟังฟังนี่มันละเอียดนะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเราติดไปทุกขนทุกแห่งเลยตัวเราไปฟังทำตัวเราไปปฏิบัติทำตัวเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้อันนี้แค่แคชี้บอกนะไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะเป็นการชี้ให้เห็นว่าการที่ให้เห็นตัวเราก็ให้เห็นตรงนี้แหละมันมันจะมี มันละเอียดอะมันละเอียดก็คือเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นสังขารปุงแต่ง<ม>อันนี้เป็นโดยบัญญัติอนะนะแต่ต้องอาศัยบัญญัตินี่แหละใช่ไหมเป็นเขาเรียก ว, ว่าอาศัยเป็นเครื่องรู้อาศัยคาพูดอาศัยสมมุติอาศัยสมมุติเพื่อที่จะเข้าถึงวิมุตติอย่ไหมที่เราพูดทั้งหลายเนี่ยนี่มันเป็นสมมุติ อาศัยมันเพื่อจะสู่วิมุตต์ก็คือรู้ว่าแท้จริงไม่มีเราเนาะชัดนะเนี่ยคำเนี้ยชัดอีกแล้วต้องเอาสมมุติมาใช้เอสมมุติเหมือนความคิดก็เหมือนกันนะการโยนิสสอเนี่จริงๆมันก็ปรุงแต่งเป็นสังขานแต่ต้องอาศัยมันเพื่อให้มันแยกคลายในเกิดปัญญาขึ้นมาแต่สุดท้ายเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ยึดถือแต่อาศัยมัน เห็นไหมในหล pues ักสติปัฏฐานเนี่ยอาศัยกายเวทนาจิตธรรมเพื่อเป็นเครื่องรู้เป็นที่อาศัยระลึกแค่นี้เธอก็จะไม่ติดอะไรกับอะไรในโลกนี้แล้วเห็นไหมต้องอาศัยมันอาศัยอาศัยนี่ถ้าไม่มีขันห้านี้พ้นทุกไม่ได้นะถูกไหมเพราะฉะนั้นอาศัยขันห้าเพื่อที่จะรู้จักมันแล้วก็ไม่ยึดถือขันห้ามันจึงพ้นทุกได้นะเพราะฉะนั้นก็อาศัยมันพุทธหรือว่าอาศัยมันหมด ธรรมะนี่เวลามันขั้นสูงมั น, ม, นมันละเอียดนะจริงเรามองแล้วว่าถ้าไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยปัญญาไปไม่ถึงเข้าใจไม่ได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังเนี่ยมันต่อยอดมานะต่อยอดว่าเออบางอย่างเนาะเราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างเนี้ยแล้วก็ทําให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วโยมไม่มีอะไรเป็นอะไรนไม่มีไม่มีอะไรเป็นอะไรเออนี่ยังไม่ได้คุยกับโยมเลยเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีนนาที่ช่วง่าปวดหัวเลยปวดหัวใครหัวมันปวดใช่ปะนะเออหัวมันปวด จริงๆความปวดเนี่ยมันก็มาแต่เหตุอ่ะนะมันต้องมีเหตุไม่รู้ไปทําอะไรมาถ้าเราไม่รู้เหตุมันก็แก้แก้อาการปวดหัวไม่ได้ออแต่ถ้ามันปวดแล้วก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นอาการอาการทางร่างกายอ่ะนะมันก็ไม่ใช่ตัวตวนอะไรหรอกออแต่ถ้าแก้เหตุไม่ถูกมันก็ยังปวดต่อไปนั่นแหละ แล้วทําไมถึงปวดใหนลองลองเล่ามันคิดเยอะไหมหรือบังคับในการปฏิบัติทํามไหมเออลองดูทีแล้วพอนอนไม่หลับอยากให้หลับใช่ไหมนี่ไงผิดแล้วไอ้ตรงอยากนั่นแหละเออมันมันจะมันจะมันจะขัดแย้งกันมันจะมันจะสู้รบกันแล้วก็ปวดหัวอีกอันนึงมันนอนไม่หลับใช่ไหมพอนอนไม่หลับเสร็จมันจะมีตัณหาคือความอยากให้หลับมันก็บีบคั้นเข็นเข็นเข็นก็เลยปวด เอาใหม่ oh มันไม่หลับจังหัวมึงจังหัวมันเออแล้วก็อย่าไปอย่าไปเขี่ยวเข็นมันแล้วก็มีฝึกสติตอนที่ไม่ได้หลับเลยมีสติก็คืองไงอะก็ระลึกรู้ถึงกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละระลึกตรงไหนก็ได้หรือนอนไม่หลับก็ดีแล้วอาจจะพูดในใจก็เรอกเออดีแล้วที่ไม่หลับจะได้ภาวนา <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้าบาีบบังคับในปวดหัวแน่นอน เราดูสักตั้งหนึ่งตายเป็นตายใช่ไหมการปฏิบัติธรรมคือละอยู่แล้ว<ม>วันนี้เรายัางไม่ได้คุยกับโยมมากสักเท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไหมได้นะอืของโยมก็เป็นโอกาสดีในช่วงนี้ที่ที่โยมเขาเรียกว่ามันอยู่ในภาวะที่คือเราสามารถฟังอะไรได้อยู่มันปกติะนะ<ม>ก็ช่วคปกติอย่างนี้แหละขยันทําความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติ แต่ถึงยังไงก็ตามถ้ากายมันป่วยนะเป็นเรื่องของกายใช่ไห ม, มกายไม่ใช่เราอยู่แล้วกายเป็นหลังขานแต่ถ้ายึดกายเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีทุกใจก็จะเป็นทุกข์กับมันว่าเราป่วยอย่างเนี้นะเพราะนั้นป่วยก็เป็นเรื่องของกายแล้วก็รักษาก็ต่ามกันไม่วิธีแค่นั้นเนี่ยอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็ทุกคนป่วดเจ็บทั้งหมดแหละไม่มีใครไม่ป่วยหรอกอย่างวัยขนาดเนี้ยปวดแท้งปวดขาปวดหมดแล้วแต่ก็เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่ เห็นอยู่รู้อยู่ก็ไม่ได้ติดใจมันหายก็ได้ไม่หายก็ได้อย่างเงี้ยเพราะจริงๆมันต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมแค่ป่วยแค่นี้ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้แล้วเวลามันหยุดหายใจมันจะหนักกว่านี้นะหมายถึงว่าจะตายอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้เข้าใจให้มีปัญญาทุกขั้นตอนมันป่วยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเออป่วยไม่ใช่เราเนี้ยพอป่วยมากก็ยังไม่ใช่เราอยู่ดีใช่ไหมก็เป็นแต่แค่ความปว่วยแค่ความปว่ปวยอ่ยเป็นปัญญาหมดเลยปัญญาที่ไม่ขาดตอน ใจก็ไม่ทุกข์สนุกป่วยเลยแบบนี้ใจไม่ทุกข์สนุกป่วยยิมได้เงี้ยให้มันทันเนาะไม่สีทันไม่ชาตินี้คิดว่าทันเนาะเออเขาให้ทันทันเนาะเออให้ทันทันก็เรียกว่ามีปัญญาปัญญาเท่าทันกับชีวิตที่มีอยู่เหมือนกับว่าตายตอนเนี้ยอก็รู้สึกว่าก็เออได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้หาเรื่องตาย มันมีเหตุให้ตายก็ตายอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าหาความตายแบบฆ่าตัวตายไม่ได้อะมีเหตุให้ตายก็นั่งนั่าางอยู่ฟ้าผ่าเปี้ยงเงี้ยมั่งเนี่ยก็ก็จบแล้วเดี๋ยวพูดอย่างนี้ไม่ไดีรังสังหรณ์นี่ น, น, น, นี่ยึดอยู่ <laughs> ออไม่มีอะไรถามแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวกองอย้อมส่งเลย ก็ไม่มีอะไรแล้วหรอกถ้าเห็นถูกต้องหมดเนาะ <c oughs> เห็นถูกต้องว่า <c oughs> ทุกอย่างเป็นสังขารมีแต่สังขารเท่านั้นสังขารเนัาาน้นไม่เอาอะไรทั้งหมดไม่ยึดไม่ถือติดอะไร <c oughs> เปล่าติดๆส <c oughs> งสัยบางอย่างเลยถามเราใช่ห เอาถูไม <Net> ่ล <os> ่าคนอื่นก็ยังก็บอกว่าเออใช่ดิถ้าไม่สงสัยไม่ถามนะเน่สงสัยเน่ยังยังติดความสงสัยทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องอยากรู้ว่าติดอะไรก็ทิ้งหมดแล้วไม่มีน่ะทิ้งให้หมดอ่า ใช้คำพูดอะไรดีอะนึกไม่ออกผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนบางทีนะเวลาเราตอบคาถามโยมนะเราไปนึกได้ตอนเวลาเราเดินน่ะบางเรื่องเนี่ยเราตอบไม่เสียขาดอะบางทีมีเห็นรู้เลยว่าเวลาใครถามเนี่ยบางทีมันไม่เสียบคมแต่ว่าเราเดินเดินจงกรมอะไรเนี่ยมันมันเป็นสมาธิแล้วมันนึกขึ้นได้ไง มันเกิดปัญญาในตอนท้ายเคยนี้อย่างบางทีที่เราเข้าใจยมผิดที่ยมถามตอ น, นนั้นนะเนาะเราก็มาแก้ให้ว่าเออเราฟังแล้วเราเข้าใจผิดแล้วก็มาบอกให้เพราะว่ามันบางทีมันมันสำคัญไงถ้าเราไม่บอกไม่แก้เดี๋ยวโยมมาเชื่อเราแล้วก็โยมปฏิบัติผิดอะไรเงี้ยก็มีวันนั้นกองทัายอีกนะ จริงๆเรื่องนี้บางทีมันเป็นสติปัญญาในระหว่างที่เราฟังถ้าเราฟังเนี่ยหลาคาดเคลื่อนต่อคําถามแล้วก็ตอบไม่ไม่ไม่ตรงไม่คมแต่ถ้าบางเรื่องเนี่ยพอถามปั้งเนี่ยมันเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเขาถามแบบนี้แล้วเราตอบมันคมแล้วก็มันก็ได้บางทีถามไม่อาจจะไม่ตรงคําถามตอบไม่ตรงคำถามอย่างโยมพ่อที่พ่อช้างเท่ใครก็ฟังเข้าใจง่าย ต่อเนื่องแหละต่อเนื่องเราเรานึกจะถามตรงนี้ค่ะเออมืนตัวมาช่วยให้ให้เรามุ่งไปข้างหน้าอยบามแต่อยู่อย่ามัวเล่นคือคื อ, คอวิธีมันนะเอาสมมติว่าที่เราฟังตรงนี้ทุกคนเนี่ยเราเก็ตเรื่องอะไรเราเข้าใจตรงไห น, นรู้สึกว่าโหวันนี้เก็ตเลยเอาความรู้ตรงนี้ยมใช้ไปก่อนเลยใช่ตั้งแต่บัดนี้เลยเนี่ยบางคนที่บอกว่ า, วาเวลาจดนะ ถ้าจดเนี่ยมันก็จํา จ, จดไว้เพื่อจําแต่ถ้าไม่จดเอาความรู้เนี่ยปฏิบัติตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยอย่าทิ้งอย่าปล่อยความรู้ที่มีเนี่ยปัญญาเนี่ยติดตัวไปเลยจะเดินจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนเนี่ยใช้ไปเลยตรงเนี้ยเอาอย่างสมมุติว่ามันก็อาจจะเก็ทบอกว่า เ, าเข้าใจละโอ้ทุกอย่างมันเป็นสังขารไม่เที่ยงหมดเลยเนาะไม่ใช่เราที่นั่งอยู่ก็ไม่ใช่เราเดินอยู่ก็ไม่ใช่เราเราเนี่ยนี่พอเข้าใจตรงเนี้ย โยมอยู่กับความไม่ใช่เราอยู่อย่างนี้ตลอดเล ย, เยจะลุกจะนั่งจะเดินเห็นอยู่อย่างนี้ว่าเป็นแต่กายเป็นแกส่สังขารสังขารรู้สึกตัวอย่างนี้ไม่ทิ้งไม่ขาดตอนแต่ถ้าขาดตอนเมื่อไหร่มันลืมเนี่ยแค่แค่ถือว่ า, วาโยมเคยเข้าใจแนวนี้นะถ้าโยมไม่ฟังอย่างต่อเนื่องเนี่ยสวัน4วันเนี่ยจางคายหายไปแล้เพราะบางทีคนสอนก็เยอะเนาะแนวนู้นมันก็ถูกไอ้นี้ก็ถูกกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราเคยเข้าใจเนี่ยมันลืมหมดเลย มันลืมหมดเลยนึกไม่ออกว่าปฏิบเขาพูดยังไงแล้วอะไรมันลืมไงเพราะนั้นต้องกัตจจดติดจดดอเลยคือเอาปัญญาที่มีอยู่ขั้นสูงสุดที่ฟังมาเนี่ยเอาไปใช้ให้ต่อเนื่องออมันถึงจะได้อย่างหลวงพ่อเทียนเทศนะเมื่อเช้าอะ่ะท่านบอกว่าทุกโลหมายใจอะ่ะ<อ>ดูกายดูจิตทุกโลหมายใจเออดูจิตอะ่ะดูจิตดูใจทุกโลหมายใจอะ่ะอย่างเี้ยถ้าเราเก็ตตรงนี้ปั้งเนี่ยโห ตั้งแต่นาทีเรื่อๆเลยดูกายดูจิตดูความคิดเนี่ยดูอารมณ์เนี่ยดูความคิดดูอารมณ์เนี่ยมันคิดอะไรในใจเนี่ยอ่าดูอารมณ์ดูคิดดูเนี่ยจะเดินไปไหนดูคิดดูอารมณ์อยู่เงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วมันคิดอยู่ตลอดสายแล้วมันก็เห็นอยู่เงี้ยอย่างนี้เลยเข้าสู่ของโยมเลยนะทายมทําได้นะส่วนนี้นาะอ่ดูคิดดูคิดเนี่ยเนี่ยถึงว่าดวงเข้าใจเรื่องดูคิดแล้วเพราะมันเห็นอะไรมันก็คิดไปเรื่อยเห็นอันนี้ก็คิดก็จากเรื่องอะไรทํเฮ้ันนะเอ้ยเอามาทำไมื่อยอ แล้วก็เห็นความคิดตลอด mm. ตลอดพอเห็นทางใช่ไหมแล้วก็เห็นความคิดเห็นความคิดเห็นดูจิตดูใจเนี่ยเราจะพบหลือว่าตัวเองพูดอยู่คนเดียวจริงๆพูดตลอดเห็นต้นไผ่มันก็พูดเห็นต้นไทรเห็นต้นยางก็พูดหมดเลยเห็นหมามันก็พูดอ่ะเออใช่ไหมหมาเยอะจังโอ้ยตัวนี้ไม่หยุดพูดเยอะไปหมดแล้วเอ้าพอเห็นพระพระองคนี้ทาไมกราบอย่างนั้นทําไมยกแข้งยกขาเนี่ยโอยมันพูดกับเราพันพูดแหะมีชี้นานะจริงไม yes. ่มีก็ ใช่ไหมโดนใจใช่ไหมเนี่ยมันพูดมันคิดตลอดแหละใจเนี่ยมันเกิดอะไรหรือว่ามันเป็นปรุงแต่งในจิตทีนี้พอเรารู้ทันแล้วเนี่ยว่าจะเห็นความคิดแล้วมันทํานานมันเก่งก็รู้ทุกคิดเท่านี้พอรู้ทุกคิดเสร็จมันไม่ติดไปก็คือมันได้แต่รู้อ่าใช่ไหมได้แต่รู้ว่าคิดแล้วก็ผ่านผ่านผ่านยกตัวอย่างก็ได้โยมก็ต้องคิดเราว่าพราะจิตคนมันเหมือนกันหมดนะ ตอนทําวัดเย็นเมื่อวานเรื่องการสวดมนต์ยมสังเกตไหมะ่ะทํานองเหมือนกันไหมยมคิดใช่ไหมเอ อ, อไห ม, มต้องคิดอยู่แล้วนี่ไงเราชี้ให้ดูแล้วมันคิดแบบไหนน่ะก็แล้วแต่ใช่ไหมเออแต่ทีนี้ถ้าเราหลงคิดเนี่ยหมายความว่าเรารู้ไม่ทันความคิดหมายความว่ามันจะไป ไปยึดกับตัวบุคคลคือยึดเอาจริงเอาจังว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเห็นความคิดนี้ก็แต่เห็นว่าความคิดเนี่ยมันเคลื่อนไปเรื่อยเล ย, เล ย, เลยอาตมานี่เห็นชัดมากเลยเดี๋ยวจะเล่าแบบไหนดีว่าตัวยมเข้าใจเพราะว่ามันมีสัญญาจำได้นี่ว่าท่านอื่นเขานำสวดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็พอท่านนี้สวดมันก็อีกแบบหนึ่ง มันจําได้ชัดเจนนี่เขาเรียกว่าสัญญาเนาะสัญญาจําเสียงจําทํานองจําความเร็วมันจําได้พอจําความได้มันก็คิดดิปรุงปรุงคิดคิดปรุงเปรียบเทียบนะแต่ทีนี้ที่อตาตมาเห็นนะเห็นตัวเองชัดมากที่สุดก็คือว่าอยากจะอุปมาอย่างนี้เลยว่าใจเนี่ยนะใจที่มันเป็นผู้รู้เนี่ยมันมันได้แต่รู้รู้อะไรรู้ว่า ขณะปัจจุบันเนี่ยทำนองมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนาะมันไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอย่างเงี้ยไหลไปแล้วมันก็ไม่มีผลต่อใจไม่มีผลต่อใจใจเนี่ยจึงได้แต่รู้ได้แต่จำได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันชัดมากเลยมันชัดถึงเราบอกมันกับจะพูดภาษาเสือกันอื่นเข้าใจเนี่ยมันยากแต่ถ้าเข้าใจด้วยปัจจิตังกันนะมันชัดทีนี้ มันก็มีการปรุงคิดทํานองอื่นปรุงแต่งทํานองว่าเนี่ยคนนะเวลามันมีทุกเนี่ยมันคิดไปอีกมุมหนึ่งแล้วมันยึดยึดยังไงถ้าไปยึดว่าองค์ก่อนสวดแบบนั้นดีเขาก็ไม่พอใจกับองค์ใหม่นี่มียึดใช่ไหมเออแต่ถ้าไม่ยึดมันได้แต่จำได้จําได้ว่าอ น, นุนสวดอย่างนี้อันนี้อันนี้สวดอย่างเนี้ยแล้วปัจจุบันเนี่ยมีแต่อย่างเนี้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ย มันก็ไม่เกิดปฏิฆาทางใจไม่เป็นอะไรแล้วก็เห็นเหตุเหตุแห่งทุกข์ได้ไงว่าที่มีทุกข์พอไปยึดยึดว่าอันนู้นดีกว่าอันนี้ไมไ่ก็แล้วแต่เออไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันอยู่รู้ด้วยใจจริงๆเนี่ยมันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยมีแต่เห็นเหมือนกับเห็นด้วยตาเนื้อเลยอะเห็นสัญญาเห็นอะไรเหมือนตาเนื้อเลยที่มันผ่านไปเราอยากจะเปรียบเทียบเมื่อวานมันก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะเห็นเหมือนเห็นมแมลงเอ้ย ผีเสื้อผีเสื้อที่ที่ตอมอดอกไม้อะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นอุปมาว่าโอยเหมือนเห็นผีเสื้อเลยนะผีเสื้อมาตอมดอกไม้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วผีเสื้อเราผ่านไปบั่นบั่นนี่มันพูดยากนะเป็นปัจจตังไงโยมแต่พอเวลามันเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจถึงใจจริงๆว่าเหตุที่มันทุกข์มันเกิดจากอะไรเหตุที่ไม่ทุกข์เกิดจากอะไรอ่เนี่ยมันเดินบนอริยสัจได้อ่ะเห็นความแตกต่างแต่ไม่แตกต่างเออเห็นความแตกต่างแต่ไม่แตกต่างแต่ใจอ่ะ ใจไม่ไม่เป็นอะไรใจไม่คือใจเนี่ยมันมันไม่เป็นอะไรกับความแตกต่างี่พูดถึงใจแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นใจแทๆ้ๆคือใจที่ที่ไม่ปรุงนะใจที่ไม่ยึดแต่ความคิดความนึกอารมณ์ต่างๆมีหมดแต่ใจมันไม่ได้ยึดถืออะไรมันแยกกันถ้าหลวงพ่อเทียงเขาบอกมันขาดเชือกมันขาดมันขาดมันต่อไม่ติดอะไรประมาณนี้ต่อไม่ติด Oh. แต่ก่อนเขาไม่เคยเรียกว่าเ<ร>ชื่อขาดมืงงเอเป่อ่านี่ปิ้งก อ, อ๋ออยู่แล้วอ๋อ<ร>ดวงไม่สมดีบอกพาเพด อ, อนี่ไงคือความคิดเนี่ยมันเป็นความคิด่จ<ร>ะ้ไม่ใช่ผิด <c oughs> เขาเาเป็นเปาอยอะไรแี้ ไม่เป็นไรแต่เห็นแล้วใช่ไหมว่าหูได้ยินเสียงมันก็ต้องคิดตามองเห็นมันก็ต้องคิดจมูกได้กลิ่นได้รสเนี่ยมันต้องคิดหมดคิดตลอดะเห็นต้นไม้เห็นคิดหมดนะถึงบอกแล้วนะสังเกตดีๆถ้าโยมเห็นคิดแล้วต่อไปมันจะชานาญมากมันจะเก่งคิดดีคิดชั่วคิดสัพปะโดนคิดโอ้ยถเราไปคิดะรู้หมดแหละรู้ตัวเองหมดแต่ก็ได้แค่รู้เพราะเราห้ามไม่ได้นเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตา บางครั้เราคิดแบบก้ศลนี้มันเป็นเครื่องตัดไหมไม่ถ้าไม่ตัดบางทีมันยังยาวคหรอไม่ใช่คือรู้เลยมันยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าถ้าเราไม่ใช่เจตนาที่จะนั้นนะะมันเป็นคือมองให้เป็นธรรมะเลยว่ามันเป็นที่สิ่งที่ห้ามไม่ได้มันมันมันไงอ่ะมันเป็นธรรมชาติใช่นิดหนึ่งมันไม่เป็นกิเลสอะไรหรอกมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไร เราไม่ได้ยึดถือว่าเราคิดใช่ไหมล่ะนี่ขั้นปล่อยวางแล้วเนี่ยเห็นแค่สังขารมันคิดมันปุงมันคิดมันปรุงรู้อยู่คิดหมแเลยโยมไปสังเกตดีดีมันคิดไปดูนนดูคิดคิดถึงก็บอกว่าคิดดีคิดชั่วก็ให้รู้ใช่ไหมในหลักสติปัฏฐานสูตรอ่ะมันจะคิดอะไรนะในเรื่องความคิดนั่นแหละหรือพูดถึงเรื่องจิตก็ได้จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้มีโมหะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานเนี่ยมันซื่อมันซื่อ อะไรเกิดขึ้นที่รู้นี่คือถูกต้องหมดแหละรู้รู้สักไปรู้เนี่ยสติปัฏฐานสูตรเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ได้ห้าะคิดแล้วใช่ไหมคิดแล้วนะดูนาฬิกาก็คิดเออเห็นไหมเห็นไหมมันคิดว่าไงมันคิดสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเปิอตรงไม่ล่ะเพราะนั้นตามองเห็นมันก็คิดเออถูกแล้วถูกแล้วนักต้องเดินสายนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมตินะถ้าเราจะเจริญสติปัฏฐานสูตรนะพอมันคิดเข้ามาเห็น พอเห็นเสร็จเราเราไม่พูดตามสมมตุติเนี่ยตัวเนี้ยดีมากเลยมันจะเห็นความคิดได้ชัดแต่ถ้าพอเราพูดปั๊บคำพูดเนี่ยมันมันไปเหมือนกับว่ามันความคิดเนี่ยมันถูกบังไปแต่ถ้าเฉยๆนะมันคิดในใจดังๆแรงๆเลยบอกสิบเอนาาิกาแล้วอาจารย์ชั น, นเพลอาจารย์ยังไม่มองนาฬิกาบ้างหรือจะพูดไป เ, เรื่อยก็จะเห็นไปเรื่อยเนี่ยมันมากเลยอ่ะเกลียดไหมละเนานะ เห็นไหมโยมพอยิ้มมายังคิดเลยบอกไม่ควันหายไปไหน <c oughs> เออเหสนไหเกียต้าอันแต่ว่าทีนี้อย่าไปเครียดนะคนเราวางนีปฏิบัติธรรมเาเครียดเราก็เครียดตามถ้าไม่ได้เห็นคนอื่นหน้าบึ้องเราก็หน้าเบึ้งด้วยไงไม่รู้มันพลังงานอะไร <c oughs> จริงนะอาาพวกโยมหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใ ช, ใช่ไหมเราเห็นแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอยมหน้าบึ้ง เราก็บ <czywiście> <laughs> <laughs> ึ่งตามมันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ที่มันมันถึงกันไงแต่เคยยิ้มสีขาก็ถึงได้ขายเออเรายิ้มเลยเขายังขืมอยู่อ่ะเออก็เป็นอย่างนั้นไงไม่รู้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเกินยิ้มก็ได้ผมว่างยเรายิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มก็รู้สึกได้ใช่ไหมล่ะไม่จําเป็นต้องเครียดแล้วรู้สึกอ่ะยิ้มก็รู้สึกได้เออลอง กคลองทำหน้ายิ้มดูสิมันรู้ชัดจะตายเลยมันรู้หมดอ่ะเพราะว่าใจอมันรู้มันรู้รู้ทุกอย่างรู้ยิ้มเครียดเออเอาอารมณ์เครียดมาเป็นเครื่องรู้ปฏิบัติด้วยความลำบากอ่ะไม่มีถามเลยนะเดี็กของโยมเรายังคุยน้อยอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแล้วเท่าที่เห็นมันเป็นยังไง เาที่เห็นจริงเาที่เห็นจริงมันก็ิเรื่องนี้ต่อเรื่องนะ้ก็ถูกแลว้วไงเห็นตามความเป็นจริงอะ่ะนั่นแหละหรือว่าเห็นตามความเป็นจริงมันบางทีมันก็ไม่คิดเออนั่นแหละใช่บางทีมันก็เนี่ก็เห็นถูกนั่นแะเออถูกแล้วถูกหมดเนะี่ยที่พูดมาถูกหมดเออเห็นตามจริงนั่นแหละแค่นั้นแหละไม่ต้องเป็นไม่ต้องอะไรเลยที่พูดมาน่ะทุกคนที่ถามมาเนี่ยถูกหมดแหละถูกตามความเป็นจริงใช่ไหม ตำราจะเขียนว่ายังไงก็เรื่องของตำราแต่ความเป็นจริงคือเห็นอย่างเนี้ยเอแต่ที่แน่ๆคือไม่ยึดถือแล้วก็ไม่ต้องอยากให้มันเป็นอย่างอื่นอีกความจริงมันเปิดเผยมันแสดงอย่างไงก็ให้เห็นตามความเป็นจริงตรงนั้น <c oughs> <c oughs> ใช่เนี่นที่โยมส่งการบ้านทุกคนอนะ่ะจริงๆอนะ่ะถูกหมดแหละแต่ที่โยมถามเพราะโยมอยากจะเอาอีกแบบนึง <c oughs> เออแม <c oughs> นะนะนะมันถูกต้องตามความเป็นจริงตามอารมณ์ที่เห็นนะ แต่ถ้าให้เกิดวิปัสนาอย่างให้เกิดวิปัสนาก็คือให้เห็นถูกว่าเอกที่เห็นทั้งหลายน่ะนะมันเป็นอาการเป็นสังขารที่มันปรุงไม่ใช่เราตรงนี้เป็นปัญญาไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราหมดเลยเป็นสังขารลว้ลวนเลยนนี่แหละเป็นวิปัสนาปัญญาไปสงสัยอี mm hmm. กอไหมล่ะโอ้ถูกหมดเนี่ยนั่งเจ็บเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกว่าโยมไม่ใช่คนนี้นั่งแล้วปวดขาไหมทําไมของหนูปวด อ่ะก็ของใครของมันใช่ไหมละ่ะก็รู้เอาเองก็ถูกแล้วทีนี้จะไปให้เหมือนเขาอ่ะไม่ได้เขาก็คือเขาไอ้ น, นี่ทางนี้ก็เป็นจริงยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นบางคนนั่งแล้วจิตสงบบางคนไม่สงบเลยจะล้อเลียนกันเอา้ามันไม่ได้ของใครของมันให้มันเป็นอารมณ์เฉพาะเฉพาะเฉพาะใช่มอนั้นแหะแค่รู้รู้เลยไม่ยึดแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้จบเอวัง